พระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะอัตถายะหิตายะสุขายะเทวมนุษย์สางคือทำเพื่อประโยชน์สุขของประหูชนเพื่อเกื้อกาลุนแก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลายความข้อนี้ถือเป็นวัตถุประสงค์สาคัญของพรหมจันทร์คือพระศาสนานี้เป็นหลักวัดความประพฤติปฏิบัติของภิกษุสาวก และเป็นคุณประโยชน์ที่พึงเกิดมีจากบุคคลที่ถือว่าเลิศหรือประเสริฐตามคำสอนของพระพุทธศาสนาดังนั้นจึงเป็นข้อคำนึงประจำและทำการงานของพุทธสาวกเนื่องด้วยประโยชน์หรืออัตทะมีความหมายดังได้กล่าวแล้วข้างต้นดังนั้นจิตหรืองานหลักของผู้บรรลุนิพพานแล้วจึงได้แก่การแนะนาสั่งสอนการให้ความรู้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 แต่ไม่มีผู้เป็นเอตาตะคะในบรรดาพัตุเทศผู้แจกกิณิมนฉันจีวระพาจกะผู้แจกจีวอนนวกรรมิกะผู้อำนวยการก่อสร้างเป็นต้นซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่สงแต่งตั้งตามพระวินัยเช่นเดียวกันพระอรหันต์ที่ได้รับยกย่องมีคุณสมบัติเป็นเอตาตะคะในรายชื่อนั้นอาจมีกิจที่ท่านกระทาเป็นประจาของท่านอีกต่างหาก ซึ่งคุณสมบัติที่ได้รับยกย่องเป็นเพียงเครื่องเสริมการทำกิจนั้นก็ได้นอกจากนั้นยังมีปัญหาเกี่ยวกับความหมายของคำยกย่องเป็นเอตาตะคะนะนั้นเองบางคาซึ่งยังเข้าใจกันไม่ชัดเจนเพียงพออีกด้วยดังนั้นรายนามเอตาตาคทะจึงยังไม่ตรงเรื่องพอที่จะแสดงประเภทและขอบเขตงานของพระอรหันต์ได้แต่กระนั้นก็ตาม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 แตกต่างกันไปตามพื้นเพการศึกษาอบรมและตามธาตุคือความถนัดและอัธยาศัยของแต่ละท่านสำหรับท่านที่สามารถในการอบรมสั่งสอนและได้รับความเคารพนับถือมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสามากเป็นอุปชาอาจารย์มีสิทธิ์มากนอกจากมีงานเทศนาสั่งสอนทั่วไปแล้วยังมีภาระต้องให้หมู่สิทธิ์จานวนมากศึกษาอีกด้วยดังจะเห็นได้ว่า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 พระพุทธเจ้าก็ทรงมอบให้พระสารีบุตรเป็นอุปชาสามเณรเล็กอายุน้อยน้อยที่เป็นศิษย์พระสารีบุตรมีชื่อเสียงเก่งกล้าสามารถหลายรูปพระสารีบุตรเคยเดินบินธบาไปพบเด็กกำพร้าอดโซเที่ยวเร่ร่อนหาเศษอาหารเก็บกินอย่างอนาถาก็สงสารชวนมาบวชเนนและให้ศึกษาธรรมวิไนเป็นตัวอย่างของการทั้งให้การศึกษาและการสงเคราะห์แก่เด็ก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 ถือสงคือส่วนรวมเป็นใหญ่และพระพุทธเจ้าก็ทรงย้ำอยู่เสมอเกี่ยวกับความพร้อมเพรียงของหมู่โดยทั้งคำสอนทางธรรมเช่นหลักอปปริหานิยธรรมการถือธรรมเป็นใหญ่และบทบัญญัติทางพระวินัยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสังฆกรรมต่างๆเรื่องราวที่แสดงว่าพระอรหันต์เอาใจใส่และพึงเอาใจใส่รับผิด ช, ชอบต่อกิจการของส่วนรวมและเขารบสงนั้น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 ถ้าท่านผู้เป็นพราหมณ์คือพระอาหารหันต์ไม่เคารพอุโบสถแล้วใครเล่าจากเคารพอุโบสถจงไปทําอุโบสถสังฆกรรมเถิดพระตะพะมัลลบรสําเร็จอรหัตผลตั้งแต่อายุยังน้อยท่านจึงมาคิดว่าเรานี้เกิดมาอายุเจ็ดปีก็ได้สําเร็จอราตะผลแล้วสิ่งใดใดที่สาวกจะพึงบรรลุถึง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 พระพุทธเจ้าก็ทรงประทานสาธุการแล้วให้ทรงประชุมพิจารณาตกลงกันแต่งตั้งท่านเป็นพระเสนาสนะปัญญาปะกะคือเป็นพระผู้จัดแจงที่พักอาศัยและพระพัตุเทศคือพระผู้จัดแจกอาหารเมื่อมีเรื่องราวที่อาจกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของการพระศาสนาพระอรหันตเถระจะขวนขวายดาเนินการอย่างเอาจิงเอาจัง เพื่อระ ง, งับเรื่องราวหรือจัดกิจการให้เสร็จเรียบร้อยทั้งที่ตามปกติท่านเหล่านั้นชอบอยู่สงบในที่วิเวกดังเช่นพระมหากษัะเทระริเริ่มดาเนินการสังคยาาครั้งที่หนึ่งพระยศกากันทบุตรพระสัมภูตะสานวารสีและพระเรวัตริเริ่มการสังคยาาครั้งที่สองเป็นต้นในการสังคยนาครั้งที่หนึ่ง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 ทรงท้าโตวาทะกับลัทธิศาสนาต่างๆทาให้วงการพระาศาสนาสั่นสะเทือนมากพระอรหันตเถระประชุมกันพิจารณาหาทางแก้ไขสถานการณ์มีพระอรหันตองค์หนึ่งชื่อโรหณะไปเข้านิโรธสมาบัติเสียที่ภูเขาฮิมาลัยยังไม่ทันทราบเรื่องจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมที่ประชุมก็ส่งทูตไปนิมนต์ท่านมาและลงโทษทำธนกรรมแก่ท่าน โดยให้ท่านรับม่อภาระในการเอาตัวเด็กชายหน้าเกษมมาบวชในคำพีสมัยหลังต่อมาอีกก็มีเรื่องเล่าคล้ายกันเช่นเมื่อคราวที่คณะสงฆ์กำลังช่วยอุดหนุนพระเจ้าอโศกมหาราชในการทำนุบบำรุงพระาศาสนาพระอรหันต์ชื่ออุปคุดปลีกตัวไปทำที่สงัดเสวยสุขจากฌานสมาบาัตเซียไม่ทราบเรื่องที่ประชุมสงฆ์ก็ส่งพระพิสุไปตามท่านมา แล้วทำธนธกรรมลงโทษท่านในข้อที่ท่านไปหาความสบายผู้เดียวไม่อยู่ในสามัคคีสงไม่เคารพสรงโดยให้รับภาระดูแลคุ้มกันงานสมโพธ์มหาสถูก ข, ของพระเจ้าอาโศกมหาราชซึ่งพระอุปคุตก็รับภาระนั้นด้วยความเคารพต่อสงเรื่องราวเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องหลังๆจะมีรายละเอียดถ่องแท้แค่ไหนก็ตาม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 เพื่อให้การครองชีวิตประเสริฐเพื่อพรหมจรรย์คือพระาศาสนานี้ยั่งยืนดำรงอยู่ชั่วการานานเพื่อประโยชน์สุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลาย